สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชองค์การตรัสถามปัญหาสืบไปเล่าว่าพันเตนาคเสณะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชายานเอตังวาจนังอันว่าคำอันนี้สมเด็จพระพิชิตมารโมลีเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสพระสัธรรมเทศนาไว้ดังนี้ว่าภิกเวดูกระภิกษุทั้งหลายผู้เห็นภายในวัดะสงสาร ตุ้มเหอนว่าท่านทั้งหลายทั้งปวงนิปปัญจระรติโนจงมีนิปปัญจะธรรมและกำหนัดยินดีในนิปปัญจะธรรมนั้นอยู่ให้สำราญนี่แหละสมเด็จพระโล ก, กนาถศสาศสดาาจารตรัดว่านิปปัญจะธรรมโยมไม่เข้าใจว่านิปปัญจะธรรมนั้นอย่างไรพระนาคเษนผู้เฉลิมป ร, ราดจึงวิสัชชาว่า มหาราชฯขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมบโลกรุตมาจารย์ตรัสว่านิปปัญจะทำนั้นคือพระโสดาปัติผลพระสกิทาคามิผลพระอนาคามิผลพระอรหัตตาพจงทรงทราบพระไท่ด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิินทราธิปดีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่า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 บุรุษชายคนหนึ่งมีกำลังวังชาบุรุษชายคนหนึ่งหากำลังไม่ได้อ่อนแอ้นักหนาฝ่ายบุรุษที่มีกำลังวังชากล้านั้นก็ถกขเขมเฉินจงกระเบนให้มั่นโดดขึ้นไปบนต้นไม้ช่วยเอาผลไม้ได้ก่อนบุรุษที่อ่อนแอหากำลังไม่ได้ก็หาไม้ทพระองตัดระองได้